เอาง่ายยาซีเรียเรื่องทำบุญเพื่ออะไรคนไทยนี่มีความคิดแปลกๆห ล, ลวงพ่อเห็นแล้ว ไม่รู้จะขมหรือสังเวชใจดียายแม้นแกทำบุญบริจาคเงินสร้างเ ส, สาศาลาไว้ต้นหนึ่งมักทายกอยากเอาใจก็สลักชื่อติดไว้ที่เ ส, สาศาลาโอ้โหยายแม้นแกดีใจทุกครั้งที่แกมาวัดมาทำบุญแกจะมานั่งที่เสาต้นที่แกบริจาคนี่แหละยิ้มย่องพองใส ภูมิใจมีความสุขวันหนึ่งแกมาสายมีคนมานั่งโคลนสาวของแกซะแล้วแกรรแกระฟัดกระเฟียดเดินผ่านไปผ่านมาตรงสาวต้นนั้นโกรธหน้านิ่วคิ้วขมวดเป็นทุกข์พระเห็นข้าก็สงสารโยมแม้นมานั่งตรงนี้เถอะ มานั่งไกลๆพระนี่แกไม่ยอมมากระแทกปิ่นโตปังแล้วยืนหน้าคว่มอยู่ที่เดิมหลวงพ่อเห็นแล้วสังเวชก็ไม่เข้าใจว่าแกทำบุญเพื่ออะไรเราทำบุญเพื่อลดกิเลสเพื่อลดความโลภในใจความโลภความอยากได้ตลอดเวลาทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ ถ้าลดความโลภลงความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงจิตใจก็จะเบิกบานแจยียมใสอิ่มบุญยายแมน้นแกทําบุญด้วยความไม่เข้าใจทําบุญเสร็จแล้วยังติดบุญยึดแน่นว่าเป็นเสาแก่ทั้งที่ถวายวัดไปแล้วชีวิตจึงเป็นทุกข์คนโง่ทําบุญแล้วเป็นทุกข์คนฉลาด ทำบุญแล้วเป็นสุขทำบุญเสร็จแล้วสำรวจดูด้วยนะว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะได้รู้ว่าเราโง่หรือฉลาด